อีกเรื่องหนึ่งนะนะสัจจะสวะหยะบันดิตาจริยาอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นดาบทปรากฏนามว่าสัจจะนะเป็นคนที่พูดคำสัต์คำจริงเนี่ยนะเรารักษาสัตว์โลกไว้ด้วยคำสัต์ได้ทำหมู่ชนให้สามัคคีกันชนิแลอันนี้ใจความโดยสรุปก็คือ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 บทว่าสมัคขังชนะมะกาสหังเราได้ทำให้มหาชนที่ทะเลาะกันเถียงกันวิวาดกันในที่นั้นๆให้สามัคคีกันไม่วิวาดกันบันเทิงกันด้วยการแสดงโทษในการทะเลาะกันแล้วกล่าวถึงอนิสงส์ในความสามัคคีกันแสดงว่าคนที่ใช้สัจจะวาจาเป็นเนี่ยนะหนึ่งอย่างเมื่อกี้เรื่องก่อนนั้นรักมีวจีสัจจะสามารถรักษาชีวิตของตนให้ปลอดภัยด้วย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 ที่ไหนมันมีปัญหาก็คือขาดความเข้าใจกันเนี่ยนะไม่ว่าครอบครัวที่ใดที่ไม่มีความสามัคคีกคารครอบครัวนั้นก็เดือดร้อนนี่แหละเนี่ยนะถ้าแม้แกระทั่งชุมชนใดถ้าขาดความสามัคคี Emir? ชุมชนนั้นก็เดือดร้อนแม้แกระทั่งพุทธบริษัทก็เหมือนกันถ้าแตกความสามัคคีเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนถ้าสงแตกความสามัคคีเมื่อไหร่ก็เดือดร้อนชนที่ทําให้คนเราอื่นแตกความสามัคคีนั้นจึงประสบบาปม่ใช่บุญเป็นอันมากสิ่งที่เอามาพูดนั้นอาจจะพูดจริงแต่พูดเพื่อ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 ถามว่าเมื่อจะได้ปัจจัยสี่เหล่านั้นต้องทําอะไรบ้างก็พันพันอยู่กับปานาติบาพันอยู่กับอธินาทานพันอยู่กับกาเมพันอยู่กับมุสาวาพันกับปิสุณหวาจาพฤสวาจาสัมผัปปลาปะอภิชาพยาบาทถ้าทําชั่วมากๆกลายเป็นมิชาทิฏฐิไปเลยพันอันนั้นคือโทษของการครองเรือนว่าในที่สุดก็นะนะกิเลสที่เป็นเหตุให้สแสวงหาก็ยิ่งใหญ่ในที่สุดก็ล่วงบาปล่วง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 เป็นห่วงเป็นใ ย, ยวิตกกังวลในเรื่องที่อยู A ่อาศัยเรื่องการทํามาหาเลี้ยงชีพเป็นต้นนนะี่ะก็เลยมีเวลาที่จะอบรมศิกขาสามได้อย่างเต็มที่สรุปว่าเห็นโทษของการครองเรือนที่เป็นปัจจัยแก่ทุจริตกรรมทั้งหลายเห็นอานิสงส์ของการบวชที่จะสามารถบําเพ็ญสุดจริตกรรมได้อย่างเต็มที่และบริบูรณ์ก็สแสดงโดยอธิบายให้พ่อแม่ฟังโดยประการต่งางๆนะค พ่อแม่นี่ความที่ตัวเองเกิดมาก็อยู่ครองเรือนมาตลอดใช่ั้ยใช้ชีวิตมีความสุขอยู่กับการครองเรือนมาตลอดก็เลยเคิดว่าเห็นเห็นโลกคนละฟากกันว่างั้นเห็นโลกคนละฟากหรือเห็นเห็นเข็นคนละอย่างกันปกติก็เห็นแต่เห็นแต่อ น, นิสงส์ของการครองเรือนเห็นโทษของการออกบวชนั้นลูกมีอัธยาศัยตรงกันข้ามพ่อแม่ก็เลยเสียใจเลยที่ลูกจะต้องบวชนี่ ในที่สุดอธิบายยังไงก็ น, นะก็อนุญาตแต่ว่าอนุญาตทั้งน้ําตามารดาบิดามีหน้าอาบไปด้วยน้ําตาร้องให้อยู่ในที่สุดท่านก็ไม่ได้อาลัยอาวรเรียกว่าบาลีเรียกประโยคอนาธรไม่ได้เอื้อเฟื้ออะไรเลยร้องก็ร้องไปก็แล้วกันก็ละกองสมบัติอันหาประมาณไม่ได้สละยศอันสูงส่งสละสละญาติวงใหญ่หมูใหญ่ ตัดความผูกพันทางเรือนดดช้างใหญ่ทำลายเครื่องผูกเหล็กฉะนั้นออกแล้วก็ไปยังหิมมวันแต่ประเทศบวชเป็นฤาษีเลี้ยงชีวิตด้วยรากไม้และพลาผลในป่าไม่ช้าก็ได้ยังสมาบัติ8ดและอภิญยาให้เกิดเพลิดเพลินกับฌานอยู่ด้วยวิหารสมาบัตินะมีความสุขอยู่กับการเข้าสมาบัติเป็นต้นนั่นแลวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ตรวจดูโลกด้วยทิพยจักสุข คือท่านมีตาทิพย์อะนะอะไรนะทิพย์อภิญญาห้ามีอะไรบ้างหูทิพย์ตาทิพย์รู้วาราจิตของผู้อื่นแสดงฤทธิ์ได้ละลึกชาติได้เนี่ยนะอันนี้แหละเป็นเหตุให้ท่านตรวจ ด, ดูสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าปกติชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นเขาอยู่กันอย่างไรก็ได้เห็นพวกมนุษย์โดยมากขวนขวายู่ในอกุศลกรรมบทพากันทําปานาติบาสอะไรปานาติบาสคืออะไรก็ฆ่ากันสงครามเป็นต้นนั่นแลอธินาทานก็ทุจริตคอรัปชันคดโกงกัน มุสาวะอะไรกาเมสุมิจฉาจานนะไม่รู้ว่าคู่ใครเป็นคู่ใครแล้วยุ่งไปหมดเลยมุสาวาะพูดเทศน์นะนะคำพูดเรียกว่าพูดไปครึ่งวันจริงอยู่นี่เดียวอย่างเงี้ยนะคำพูดก็พูดเพื่ออะไรพูดเพื่อทําลายฝ่ายตรงข้ามอยู่ตลอดเป็นต้นก็คือลักษณะที่เรียกว่าล่วงอกุศลกรรมบทเ้าเหล่านั้นก็พากันทะเลาะกันทีนี้ทะเลาะกันเนี่ยมันก็ต้องมีตัวเหตุใช่ไหมสาเหตุที่ทําให้ทะเลาะกันก็คืออะไร วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความปรารถน า, านะศึกชิงแย่งชิงวัตถุกันนั่นแหละแย่งชิงรูปสวยๆแย่งชิงเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยโพธภาภะที่ดีนะแล้วสาเหตุที่จะทําให้มันมีสิ่งเหล่านั้นก็คืออะไรก็คือมหาพูดทั้งหลายก็ศึกชิงมหาพูดรูปดินน้ําไฟลมเนี่ยก็มีอยู่เท่านี้ในที่พระโพธิสัตว์พอเห็นอย่างนี้ก็คิดว่าการที่สัตว์เหล่านี้เนี่ยนะ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 ตั้งอยู่ในความสมัครสมาสามคัคคีปรองรองกันเนี่ยนะคือบางทีเนี่ยบางคนก็เข้าใจงดเว้นจากอักขุศลกรรมบท10ไม่ทําบาปก็จริงแต่ก็ขาดความสามัคคีก็มีอยู่นั้นก็ต้องสอนให้เขาเว้นจากอากุศลกรรมบท10บอยู่ด้วยความสามัคคีและปรองดองพระโพธิสัตว์ครั้นคิดอย่างนี้แล้วอันมหากรุณาเร่งร้าหนักขึ้นปกติก็มีความสุขอยู่ในอะไรอยู่ในฌานและสมาบัติ สุขเหล่านั้นเนี่ยนะมันเรียกมากกว่าสุขในกามมาพบทั้งมวลสุขในชานเนี่ยนะมากกว่าสุขในกามมาพบเพราะฉะนั้นท่านก็สละสุขที่เกิดจากสมาบัติที่มีอยู่ในที่นั้นจากที่ตรงนั้นไปด้วยฤทธิ์แสดงธรรมอันเหมาะแก่จิตของคนเหล่านั้นแสดงโทษของการผิดพ้อผิดพ้องมองใจกันทะเลาะเบาะแว้งกันนีมน่มันเสียหายอย่างไรเนี่ยนะสมมติถ้าพี่น้องทะเลาะ ก, กันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่า เพื่อนบ้านทะเลาะ ก, กันและอะไรจะเกิดขึ้นถ้าบ้านเมืองทะเลาะ ก, กันและอะไรจะเกิดขึ้นถ้าประเทศทะเลาะ ก, กันและอะไรจะเกิดขึ้นท้งโลกทั้งโลกทะเลาะกันอะไรจะเกิดขึ้นเป็นต้นก็กล่าวถึงโทษของการทะเลาะเบาะแวงการเนี่ยนะก็ <c oughs> ในที่สุดพูดถึงโทษที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าเสียหายอย่างไรแล้วโทษของพบหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไร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 จบลงด้วยการฆ่าการแก้ปัญหาอีกอันหนึง่งสําหรับคนทะเลาะกันที่ที่ชาวประชาชนทั่วไปใช้อยู่ก็คือการโกงการผิดการเ ม, มการมุสาวาตการพุสวาจาโดยในที่สุดแล้วรวมๆก็คือถ้ามีการทะเลาะเบาแวงกันก็แก้ปัญหาด้วยการล่วงอาคุศนกรรมบทสิบเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาทํานั่นแหละคือมรดกของเขาต่อไปในอนาคตเนี่ยนะทันสิ่งใดที่เขาทําทุกอย่างที่เขาคิดถึง